266ผู้พลโลกและพลตนจึงเป็นนักการเมืองแท้จริงคนที่ชื่อว่านักการเมืองเพราะเหตุใดเพราะท่านผู้นั้นมีคุณสมบัติพหูชนะฮิตายะพะหูชนะสุขายะโลกานุกรัรมปายะแท้จริงพระหูชนะฮิตายะแปลว่าผู้ทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ พผู้ชนะสุขายะแปลว่าผู้ทำความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติโลกานุกรรมปายะแปลว่าผู้รับใช้โลกผู้อนุเคราะห์โลกยังยังมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างคนผู้รับใช้โลกอนุเคราะห์โลกเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทำความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ ผู้มีอำนาจในตนหรือของตนอัตตาที่ประยจริงและผู้มีอำนาจในความเป็นโลกโลกาที่ประยจริงจึงมีความจริงครบทั้งสองด้านโดยมีจิตเจโตเป็นได้จริงและมีความรู้ปัญญาตามความเป็นจริงนั้นชนิดที่ไม่มีกิเลสหรือมารบงการ ผู้ไม่มีกิเลสในใจตนจริงคืออรหันต์หรืออาริยะบุคคลขั้นต่างๆจึงเป็นนักการเมืองตัวจริงด้วยปรมาทสัจจะผู้มีความจำเป็นต้องรับอภินันทนาการคือของตอบแทนที่ควรให้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งคอมพลีเมนต์หรือเพราะท่านเป็นผู้ซึ่งต้องมีทักกิเนยทานแก่ท่าน c อ m p l i m e n t a r y อย่างยิ่งนี้คือผู้มีธรรมะเป็นอำนาจในประเทศไทยเราก็คือพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชนี้แลคือผู้ต้องเทิดทูนถวายคอมพลีเมนต์แก่พระองค์อย่างสูงส่งยิ่งใครประสงค์จะเป็นนะักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ จงถอดแบบอย่างจากพระจริยวัตรของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9แห่งวงจากกรีไทยนี้แล้วเทิดทูนเอาเป็นแบบอย่างของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงนี้เทิดเทินนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ต้องใช้ธรรมะเป็นอำนาจโดยเฉพาะคนที่พอร่วมยุคร่วมสมัย ที่เราจะศึกษาเอาเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงของโลกก็คือมหาธรรคารถีนั่นแลคือนักการเมืองผู้มีอำนาจโดยธรรมที่แท้จริงหรือคนไทยที่พอจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดๆก็คือพลตรีจำลองสีเมืองเป็นต้นนี่พูดด้วยสัจจะเป็นวิชาการไม่ใช่ยกยอกันเอง ผู้ควรแก่ทักคินานั้นก็จะมีข้าวของทรัพย์วัตถุประกอบในชีวิตอยู่อย่างพอเหมาะพอสมแก่ฐานานุฐานะ sufficiency ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตลอดชีวิตของท่านว่าท่านเอ็เอียงไปข้างมากน้อยสันโดษไม่เสพสวรรค์อสังสักคะรักสงบขยันภาคเพีย